พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่ส0สิการนกัทละสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าเนื้อชื่อกัรนกกัทละพระผู้มีพระภาคประทับณป่าเนื้อคือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่อกัรนกกัทละใกล้นคร อ, อุทัญยาพระเจ้าประเสธิ่โกศลมีพระราชกรณียกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เสด็จไปถึงนครนั้นโดยลำดับทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่นั้นจึงส่งราชทูตไปกราบทูลว่าจะเสด็จไปเฝ้าหลังเวลาเสวยแล้วพระนางโสมาและพระนางสกุลาซึ่งเป็นพระภคินีจึงกราบทูลขอให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและทูลถามถึงความผาสุขแทนพระนางด้วย พระเจ้าเะเสนที่โกรสนไปเฝ้ากราบทูลข้อที่พระนางทั้งสองสั่งให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสองพระนางหาทูตอื่นไม่ได้หรือตรัสตอบว่าพระนางทั้งสองเห็นว่าหม่อมชั้นจะมาเฝ้าจึงฝากกราบทูลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสประทานพรให้พระนางทั้งสองมีความสุข พระเจ้าเะเสนทิได้กราบทูลถามเรื่องสี่เรื่องคือ1นเรื่องความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงหรือสัพพัญยุตตา 2. เรื่องวันนะสีเรื่องอธิเทพ 4. เรื่องอธิพรมซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบและพระเจ้าเะเสนท่โกสศก็ได้ทรงแสดงความพอพระทัยชื่นชม ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีสมณะหรือพรามที่รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคราวเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างกันของวันณะทั้งสี่ตรัสตอบว่าถือกันว่าวันละกษัตรและพรามเป็นเลิศทางการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับการทาอัญชลีการทารทสามีจิ ก, กรรม คือการปฏิบัติชอบโดยอัธยาศัยไมยตรีแต่ในทางปฏิบัติวันนัทั้งสี่มีคุณธรรมเหล่านี้ย่อมได้ผลเสมอกันคือองค์หรือคุณธรรมอันเป็นประธานห้าอย่างเช่นเดียวกับที่ตรัสไว้ในโพธิราชกุมารสูตรทรงเปรียบด้วยไฟแม้เกิดจากไม้ต่างชนิดแต่เปลวไฟสีไฟแสงไฟย่อมไม่ต่างกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาตรัสว่าเทวดาที่มีความคิดเบียดเบียนย่อมมาสู่โลกนี้อีกส่วนที่ไม่มีความคิดเบียดเบียนย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกพอถึงตอนนี้วิธูทพะผู้เป็นเสนาบดีได้ถามสอดขึ้นว่าเทวดาที่มีความคิดเบียดเบียนที่มาสู่โลกนี้จะทำให้เทวดาที่ไม่คิดเบียดเบียนเคลื่อนจากฐานะ คือจุติหรือขับไล่ไปได้หรือไม่พระอานนท์ซึ่งเห็นวิถูเภาเษนาบดีซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าปเปเสณทิสอดถามจึงตอบสอดไปบ้างถือว่าเป็นเรื่องของลูกกับลูกควรจะพูดกันพระเจ้าปเปเสณทิยังไม่รู้จักจึงทูลถามชื่อพระผู้มีพระภาคและตรัสชมเชยคําตอบของพระอานนท์ซึ่งพระอานนท์ก็ตอบโดยอุปมาอุปไม ให้เห็นว่าจะขับไล่หรือทำให้จุติไม่ได้แม้แต่ในโลกนี้พระเจ้าเปเสนที่โกสลส่งครอบครองราชสมบัติในเขตใดก็ทรงมีอำนาจเฉพาะในเขตนั้นส่วนคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับโรมพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบทำนองเดียวกับเรื่องเทวดา